ศีลนั้นอันอบรมแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากเพราะอะไรเพราะเป็นศีลระดับสูงเป็นศีลที่เป็นบาตแห่งโซดาปฏิมักโสดาปฏิพนสกาัตาคามิมกักสกาัตาคามีผลเป็นศีลที่เป็นบาตแห่งการแทงตลอดโลกุตระธรรมพั้นศีลแบบนี้เป็นศีลที่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิศีลนะแบบนี้แหละที่มีผลมากมีอา น, นิสงส์มาก ส่วนภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในสมาธิใดย่อมเกิดปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยมร์ปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยผลปัญญานั้นอะสมาธินั้นอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอ น, นิสงส์มากคือสมาธิใดก็ได้ที่เจริญแล้วอะใกล้ต่อการบรรลุมร์ผล ใกล้ให้อริยมรรคปัญญาเกิดให้อริยผลปัญญาเกิดสมาธิที่เจริญให้เกิดอริยมรรคปัญญาอริยผลปัญญาสมาธิอันนั้นแหละมีผลมากมีอนิสงฆ์มากแต่ถ้าสมาธิใดที่ไม่ได้เกื้อกูลต่อการแทงตลอดอริยสัจสมาธิที่ไม่ได้เกื้อกูลต่อการบรรลุอริยมรรคเลยสมาธิเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากนั้นสมาธิที่มีที่เจริญแล้วมีผลมากมีอนิสงฆ์มากหมายถึงสมาธิที่ใกล้ต่อ วิปัสนาปัญญาใกล้ต่ออริยมรรคปัญญาทั้งหลายนั้นนี่แหละเป็นสมาธิที่กําไรดีอย่างั้นส่วนปัญญาต่อไปภิสูุทั้งหลายตั้งอยู่ในปัญญาอันใด ย, ย่อมเกิดมรรคจิตผลจิตจิตอันนั้นแหละที่ปัญญาอบรมแล้วเนี่ยนะปัญญาที่อบรมแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดมรรคจิตและผลจิตปัญญาเหล่านั้นนี่แหละที่ดีมากแล้วก็ช่วยให้พ้นจากกามาสวะภวาสวะและ อวิชชาสะวะทีเดียวนนะะเพราั้การเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คงไม่หลงประเด็นไม่ผิดพลาดใช่ไหมว่าเจริญเพื่ออะไรเจริญเพื่อมรักเพื่อผลเห็นนะเพราะอย่าลืมว่าโซดาปฏิมรักไปแล้วนั่นแหละศีลจึงจะบริบูรณ์โสดาสกทาคามีมรักไปแล้วนั่นแหละศีลจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์เป็นศีลที่มีผลมากมียนิสงมากอนาคามีมรักไปแล้วนั่นแหละสมาธิจึงจะมี ผลมากมีย น, นิสงมากปัญญาในระดับอรหัตตมรัคษนั่นแหละจึงจะมีผลมากมีย น, นิสง์มากเพราะหลุดพ้นจากอาสะวะโดยประการทั้งปวงแต่ จ, จริงแล้วโสดาปฏิมรัคษเนี่ยนะก็พ้นแล้วจากกามาจากทิฏฐาสะวะอรหัตตมรักษ์ขออภัยอนาคามีมรักพ้นจากกามาสะวะอรหัตตมรักพ้นจากภวาสะวะและอวิชชาสะวะนั้นอรหัตตมรักขปัญญานี่แหละทาให้จิตหลุดพ้นจากอาสะวะทั้ง4ี่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 สนิมพ่ออาสวะทั้งหลายก็เช่นกับสนิมนั่นเองเนี่ยนะก็กลายเป็นอะไรนะั้นเหล็กชั้นดีเหล็กชั้นมาตรฐานเป็นเหล็กที่ไม่มีสนิมอริยมร์อริ ย, รยผลก็ฉะนั้นถ้าเจริญจนสมบูรณ์ภัยบุญบริบูรณ์เต็มที่แล้วสมาธิที่เจริญจนบริบูรณ์แล้วก็ไม่มีสนิมคือราคะโทสะและโมหะที่อยู่ในใจพ้นจากสนิมใจคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะนั่นเองเนี่ต่อไป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 ก็คือเน้นพิเศษเน้นตรงนี้มากๆเลยถ้าศีลเจริญถูกต้องนะจะได้มัคคะมัคคสมาธิผลสมาธิสมาธิถ้าเจริญให้ดีก็ต้องได้มักคะปัญญาผลปัญญาปัญญาถ้าเจริญให้ดีก็ต้องได้มัคคจิตและผลจิตชี้ชัดชี้อยู่ประเด็นเดียวเนี่ยนะก็คืออะไรจะแสดงว่าโลกิยะ ร, รมที่เป็นไปเพื่อ โลกุตรธรรมเพราะกุศลธรรมเป็นคำสอนของพระองค์ที่เป็นนิยานิกรธรรมนพระธรรมเหล่าใดที่จะนำสาวกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะภาคเพียรพยายามอุตสาหะที่จะแสดงเ็จะได้ช่วยเหลือให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์นั่นเองในข้อ76หน้า247้อครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ อยู่ในกรุงราชครืตามพระธยาศยัเนี่ยนะก็ตามพุทธพิรมหรือตามแกเห็นสมควรหมายคาอว่าไม่มีผู้ที่จะโปรดไม่มีผู้ที่จะสงเคราะห์พอให้ตรัสรู้ได้แล้วพระองค์ก็เรียกพระอ น, นุ์ว่ามาเถิดอนทน์เราจะเข้าไปยังพระราชยานอัมพระชิกาพระราชยานอัมพราติกาก็อยู่ใกล้ๆ ก, ก, กับกรุงราชครื่นั่นแหละแต่เป็นสวนสวนหนึ่งเป็นสวนสาธารณะนะ ท่านพระนรนก็กราบทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค้าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงหมูใหญ่เสด็จถึงพระราชอุทยานอัมพระติกาแล้วเล่ากันมาว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่พระตำหนักในพระราชอุทยานอัมพลัตติกาเรียกว่าเป็นสวนหลวงนะเป็นสวนหลวงพระองค์ก็พักในตำหนักทราบกันมาว่า แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณนะตําหนักในสวนอัมพลทรติกานั้นก็ทรงกระทำธรรมมีระถานี้แลเป็นอันมากแก่พิสูจทั้งหลายว่าศีลมีอยู่แม้ด้วยประการชนีสมาธิมีอยู่แม้ด้วยประการชนี ปัญญามีอยู่แม้ด้วยประการชนีเนี่ยนะก็ชี้แจงเลยนะศีลเป็นอย่างนี้นะจะตุปาริสุทธิศีลเป็นอย่างนี้สมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมะทาทั้งหลายเป็นอย่างนี้ปัญญาทั้งหลายกรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาเป็นอย่างนี้ถ้าเจริญศีลให้ดีจะได้บรรลุมรรคผลเจริญสปันสมาธิได้ดีก็บรรลุมรรคผลเจริญปัญญาให้ดีก็บรรลุมรรคผลได้เพมัน ศีลเจริญให้ดีก็ได้มรรคสมาธิผลสมาธิสมาธิถ้าเจริญดีก็ได้มรรคปัญญาผลปัญญ า, านะหรือว่าปัญญาถ้าเจริญได้ดีก็จิตก็เป็นมรรคจิตและผ ล, ละจิตเนี่ยนะพระองค์ย้ำเน้นเตือนเราว่าโอวา่าสั่งสอนมากถ้าเจริญได้อย่างนี้จริงก็พ้นจากอาสะวะทั้งหลายมันถ้าพ้นจากอาสะวะทั้งหลายก็ถือว่าพ้นจากทุกเนี่ยนะเพราะทําลายเชื้อแห่งวัตถทุกขได้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะ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 คือแม้เลื่อมใสามากเลยนะที่เหตุที่ภาษาริบดลเลื่อมใสยอย่างนี้ก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งภาษาริบดลก็เช้ามาท่านก็ปร ะ, ประพฤติสรีรา ก, กิจของท่านจนเสร็จแล้วท่านก็ไปบินทบาทหลังจากกลับบิจับบินทบาทชันเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านก็ไปสู่ที่หลีกเลนแล้วก็เจริญะระลึกถึงคุณของตัวเองว่าตัวเองนี่มีคุณทำอะไรบ้าง ท่านก็ตามระลึกถึงคุณธรรมของท่านไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆว่าท่านเนี่ยมีเหมือนกับเหมือนว่าอย่างมหาเศรษฐีมานั่งนับทรัพย์ตัวเองนะตัวเองมีทรัพย์อะไรบ้างว่าเรียกว่าย้ายเรียกว่าเรียกว่าเปิดตู้เพชรตู้อะไรมานั่งนับไปเรื่อยบอกนับไปนับมามันก็ไม่มีจบมีสิ้นเลยขี้เกียดนับแล้วอพอแล้วแม้คำว่าขี้เกียจแม่เราบอโอ้เยอะแยะร่วมมากก็แล้วกัน นี่ขนาดของเรายังขนาดนี้แล้วของพระพุทธเจ้าขนาดไหนทั้งก็เริ่มเจริญพุทธคุณนะเจริญไปเจริญไปเจริญไปเอา้าไม่มีที่สุดเนี่ยเหมือนอากาศเลยครับเนี่ยเป็นพระคุณที่หาที่สุดไม่ได้หาที่เปรียบไม่ได้ก็เลยเรื่มใสามากเลยนะยิ่งเรื่มใสทราบเชิงในพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะก็เรื่มใสามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยเอ้ยยังไงดี ก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเลื่อมสามากขนาดนี้นี่ทำไงดีเนาะจะเล่าความเลื่อมใสอันนี้ให้ใครฟังดีบอกว่าถ้าเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยแหมมั น, ม น, มนรับไม่ได้หรอกเอางี้ละกันก็เล่ากราบเรียนกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยไ ป, ไปถึงก็แป่งอากล่าวอาสพิวาจาอย่า ง, งองค์อาจเลยไม่เลื่อมสายจริงๆเลยว่างั้นเธอเลื่อมสามากเลื่อมส ย, อยังไงหอกเลื่อมสายสิว่า สมณะพรามหมณ์หมายถึงพระพุทธเจ้าหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะใครที่จะมีปัญญายิ่งกว่าพระองค์เนี่ยในอดีตไม่เคยมีมาเลยที่ยิ่งกว่านะไม่ได้บอกว่าเสมอไม่มีนะบอกว่าที่ยิ่งกว่าไม่มีอนาคตต่อไปก็ไม่มีใครยิ่งกว่าอีกปัจจุบันนี้ไม่มีใครเสมอโอ้เริ่มใสามากเลยนะอย่างภาษาดิบที่เริ่มใส่ถึงขนาดว่าทนไม่ได้เลยต้องไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังอะไรงี้นเถอะบอกไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังอะไรเงี้ยไม่มีคือคือ คนที่เสมอกับตัวก็ไม่มีอ่ะนะเรื่องนี้เราจะให้พระพุทธเจ้าฟังอย่างเดียวก็ไปกราบทูลต่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรวาจาอันอาจหานโอลา น, นี้ที่เธอบรลลือศีหนาที่เชื่อถือได้โดยแท้เชื่อถือได้แม้องค์อาจเลิกเกินเนี่ยแม้พูดหน้าเชื่อมากกันนะพูดแล้วต้องเชื่อพูดอย่างนี้ต้องน่าเชื่อจริงๆแหละน่าเชื่อแท้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 เธอรู้หรือว่าพระพุทธเจ้าทุกองเหล่านั้นมีศีลอย่างไง